สัรดาทุกชนพุทธบริษัตททั้งหลายวันนี้ก็จะขอต่อเรื่องราวของพระเตมีต่อไปหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายยังคงไม่ลืมในตอนต้นแต่คืนย้อนกันบ่อยๆแทรกบ่อยๆเรื่องราวจะไปไม่ไกล พิดูว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจำเรื่องราวที่เป็นท้องนิทานในการโต้ตอบเึ่งกันสำหรับนักปราชญอย่างพระพุทธเจา้าพระเตมีนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี้เองเป็นสมัยที่เกิดขึ้นในการบราเป็นบา ร, รมีในขั้นบรมัตบา ร, รมีในจงจะลืมว่าคนที่ทำความดีเนะี่ย ไม่ใช่ว่าจะมีผลเป็นสุขเสมอไปว่าการอยู่ด้วยกันกับคนที่มีกำลังใจไม่เสมอกันเราทำความดีแต่ไม่ถูกใจเขาเขาก็ถือว่าเราทำความชั่วนี่บปิการหนึ่งความรู้สึกนึกคิดคือปัญญาไม่สม่าเสมอกนรไม่อดจะขัดคอกันไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าเรายังเกิดในโลกเพียงใดรจะหาความสุขจริงไม่ได้เอาวันนี้ไม่อธิบายธรรมะกันนี่เล่าเรื่องพระเตมีเขอเล่าต่อไปเป็นอันว่าเมื่อพระเตมีท่านทรงตรัสว่าแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการทำอะไรไม่จากโลกทางโลก คือว่าทางโลกยอมรับนับถือว่าเป็นความดีเึ่งการสั่งประหารชีวิตคนกันริบซับคนเป็นต้นแล้วก็ทาผิ่กฎหมายแต่ว่าทางธรรมก็ไม่เคยยกเว้นให้ใค ร, ใครทางธรรมีิว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลของการทำดีเป็นเหตุให้บรสู่ความศกสสวรรค์ คนงึื่งกันทำความชั่วเป็นเหตุให้สวยความทุกข์คือ น, นรกสำหรับนายสรถีก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์กปรเจริญข้าพระองค์เป็นคนเ ข, ข่าก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดเสียว่าเป็นความสุขสบายต่างหากแต่เมื่อพระองค์ทรงตรัสด้วยอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าไปเห็นจริง ว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคนทุกคนจะต้องรักชีวิตร่างกายของตนเท่านั้นการสั่งประหารชีวิตก็เป็นของไม่ดีเมื่อการยุแยงและแคงแสให้แบ่งแยกดินแดงก็ดีหรือเอาคนไทยทั้งชาติไปเป็นทาสของคนอื่นก็ดี ตั ว, วคนที่ก็บอกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองนะเป็นคนกลุ่มเดียวที่ต้องการความสุขหมายความว่าต้องการทรัพย์สินที่พวกเราทํากันได้แล้วแล้วก็ใช้ไปของตนคนจะรวยคนจะจนกินส บ, บายนอนส บ, บายตามใจนะึกอยากกินเสี้ยวได้เสี้ยวอยากกินเค็มได้เค็มอยากจะนอนอะไรก็ได้ แต่หากว่าคนพวกนี้เข้ามาปกครองอะไรจะต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขากินก็ไม่เป็นไปตามใจชอบนอนพักก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามใจเขาทุกอย่างมีวัวมีควายตายก็กินไม่ได้มีเป็ดมีไก่ตายก็กินไม่ได้ดไนไไดคนทุกคนถือว่าเป็นวัตถุทุกตุกตา ลูกเขาเมียใครก็ตามเขาต้องการเอาไปที่ไหนกันได้เอาไปนอนให้นนอนนอนสามาคัคคีนอนสองแสงนอนแสงสว่างเรียกว่าเขาทำคนเหมือนกระถาดตุกๆๆก๊ๆตุ๊กตาคิดว่าคนทุกคนไม่มีใจรวงความว่าต้องการซ้ำซ้อนอยังไงก็ได้ตามใจนิดมันเรื่องของเขาจะสั่งเพราะเขามีอานาจ เป็นอันว่าโลกนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขคนทุกคนต้องการอิสระเขาจึงกล่าวต่อว่าคนทุกคนจะต้องรักชีวิตรักร่างกายทังนั้นเมื่อใดใครมาทำาอันตรายก็ต้องไม่ชอบเป็นของธรรมดาอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ธรรมดาพวกเราไม่ชอบแต่เจ้านายเขาชอบเขาต้องชอบ ชอบวยความจำใจชอบเมื่อพระองค์เห็นว่าโลกยุ่งมากนักจะบทข้าพระพุทธเจ้าก็ข อ, อยากจะบทเหมือนกันพระพุทธเจ้าค่ะเป็นนั้นเป็นอันว่านายสารถีก็เลยอยากจะบทขึ้นมาบ้างตอนนี้พระเตมีทรงดำริ ว, ว, ว่าถ้าเราให้นายสารถีบทไปแล้ว มาหรือรถกัดีจะพาสังเสียหายพระราชวิรดาพระราชมัรดาก็คงจะรับแต่ความโผมนัดเสียใจที่คิดว่าข้าว เ, เรามาฝังเสร็แล้วตายไปแล้วถ้าหากว่าเราให้ในสาร ถ, ถีกลับเข้าไปในเมืองก็จะทําทให้พระพระราชวิรดาและพระราชมันดาต้องเสด็จมาดูเรา พอรู้เราไม่ตายเมื่อเห็นกับเรารู้เขาว่าเราตายความดีพระไทยของพระองค์จะมีขึ้นแ้วก็บางทีพระราชบิดาและพระราชบัรดาหรื ว, ว่าพระราชบิดาจะกลับใจเพื่อชอบขึ้นมาบ้างคือจะไม่หลงกับตำแหน่งที่มีอํานาจอย่างนั้นเมื่อพระองค์ทรงจัดแบบนี้แล้วจริงๆขอโทษ เมื่อพระองค์ทรงมีพระดําเดชดังนี้แล้วจึงได้ทรงตรัสว่านี่เนี่เธอเธอกลับไปส่งข่าวพระราชวิดาพระราชมันดาก่อนเกิดเมื่อไปทรงข่าวแล้วเรียบร้อยแล้วพรองค์ทรงทราบแล้วกลับมาหาฉันฉันจะแนะนํามิตรีโบสถ์ให้เราจะได้อยู่ด้วยกันในป่าด้วยความเป็นสุข เพราะว่าการโบดหนี่เพราะโบดด้วยความเพราะว่าถ้าเธอโบดด้วยความเป็นหนี้มันไม่ดีหรอกนะะคำว่าเป็นหนี้ก็หมายความว่าเธอยังไม่ได้กลับไปส่งข่าวเธอรับอาสาพระราชบิดาไมา่ฝังฉันฟังแล้วก็ต้องกลับไปรายงานพระองค์แต่ว่าเวลานี้เธอพบฉันไม่ไปไม่ไม่ไปง่อยไม่โหนก แต่เธอยังไม่ไปส่งข่าวพระองค์ถือว่าเธอยังเป็นหนี้ไปชำระหนี้เสียก่อนนะ้วกลับมหาฉันก็แล้วกันในสารีได้สนับย่างนั้นก็ยินดีร้อมที่จะกลับไปทูลให้กับราชาทรงทราบแต่ว่าเธอก็จิตใจรักอยากจะบทนี่คนนี้ก็เกิดดีมาได้กันคือในสารีนี่ก็เป็นคนดีจริงๆ น่ารักน่าขลศน่าเรื่มใสก็อย่างนี้น่าคบแต่เธอจะไปเธอก็เกรงไปว่าถ้าเมื่อกลับไปเฝ้าพระราชาแล้วเมื่อมาถ้าหาว่าพระราชูโอมานี่ท่านไปอยู่ที่อื่นให้ทำยังไง แั่นั้นว่าตามใจความเข้าว่าอย่างนี้ในสตถียินดีจะกลับไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบแล้วเกรงว่าเมื่อตนกลับไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินแล้วเมื่อพระราชาสเสด็จมาดูไม่พบพระราชุมารก็จะกลายไปว่าตนโกหกอาจจะถูกลงท่ายาทิงก็ตายก็ได้ยังได้ทูลขอพระราชุมานว่า ในเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไปแล้วยังไม่มาเพียงใดขอพระองค์จงยาเสด็จไปที่อื่นนะพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเตมีก็ส่งรับคำในสรถีจะในลากลับไปเมื่อเวลาที่เขาไปถึงพระรายาฐานแล้วพระนางจันเทวีกษัตริย์รรมันดา นับตั้งแต่นายสารถีอากุมารไปแล้วพระองค์ก็ทรงเฝ้ามองคอยอยู่ว่าเมื่อไรนรายสารถีจะกลับมาจะได้ทราบเรื่องที่พระราชโอรสบ้างเมื่อเห็นนายสารถีกลับมาคนเดียวก็แ น, น่ประเทัยว่าพระราชาโอรสของพระองค์คงจะสิ้นประชานไปแล้วเพียงเท่านั้นน้ํา น้ำใจของแม่ที่มีความรักโลกเึ่งเป็นเลือดในอกน้ำตาก็ไหลพรากอาบรางไม่ได้ความโทมนัสฝื้นใจตรัสถามในสารถีว่าพ่อสารถีที่พ่อลูกชายของฉันไปฝังนั่นน่ะพ่อได้รับคำสั่งจากพระเจ้ารถก่อนที่เธอจะตาย ก่อนที่เธอจะต้องลงหลุมถูกฟังทั้งเป็นหรือว่าก่อนที่เธอจะถูกตีได้จอบให้ตาย่อก่อนแล้วก็ฝังลูกชายของฉันน่ได้พูดอะไรสั่งอะไรมาถึงฉันบ้างล้วเปล่าพ น, นา ง, านงนนตรัสเพียงเท่านี้น้ำตาเ็าไหลพราเสือเอื่นเหมือนจะขาดใจตาย ในเสรถีเห็นพนางกำลังโศกเศร้าเสียใจยิ่งในหมอกกราบกราบแล้วก็ยิ้มยิ่งยิ้มพนางก็ยิ่งร้องไห้หนักคิดว่าในเสรถีดีใจว่าจะได้กําไรื่ะได้รางวัลจากการฆ่าลูกแต่ในเสลถีก็กลับปลอบโยนพนางว่าพระแม่เจ้าจะเพิ่งร้องไห้พระพุทเดียวค่ะข้าพระพุทธเจ้ามีข่าวคำข่าวดีจะมากราบคุณ ให้ทรงทราบว่าสิ่งที่คาดหมายก็ไม่แต่เดิมและไม่เป็นความจริงให้เกิดขึ้พระราชาโอรสของพระแม่เจ้าไม่ตายพระราชาโอรสของพระแม่เจ้าไม่ใช่คนง่อยไม่ใช่คนไม่ใช่คนโขนหลวงวไม่ใช่เพราะว่าอย่างนั้นโดยใจความแต่ตามองเสียวว่าอย่างนี้ว่าขอเดชะแต่พระแม่เจ้า ข้าพระบาทจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระราชบรมานให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบพระเจ้ากาะขอให้ดีพระไทยไว้ว่าเวลานี้พระราชบรมานไม่ได้ตายตามที่ใครครับคนหนึ่งคิดไว้ตอนนี้เล่นเอาพันนางดีใจแต่ว่าผู้หญิงร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้ พอเขารบบอกว่าลูกใหม่ตายดีใจร้องไห้ใหม่แปลกนี่เหมือนกันู่้หญิงนี่มีบทบาทน่ารักเสียใจก็ร้องไห้เห็นแรกเห็นในสรนีใหม่คนเดียวเสียใจว่าเวลานี้ลูกตายตายซะแล้วเกือบจะสิ้นใจตายพอในสันธีบอว่าลูกใหม่ตายดีใจแทนที่จะร้องร้องไห้อีก เป็นอันว่าต้องถือว่าเป็นปกติธรมรมดาเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้เป็นอันว่าเราก็เลยดูผู้หญิงกันยากเพราะไม่รู้ไอ ก, การร้องไห้ของท่านนจะจะเสียใจได้ดีใจเราก็มานั่งคุยกันต่อไปทั้งเรื่อ ง, ของเขาเป็นเตี้ยหีตามน้องสีตั้งเขาเนียได้กราบทูล เรื่องราวของพระราชโอรสนับตั้งแต่ออกไปจากจากพระราชสำนักแทนที่ออกไปป่าช้าผีดิลก็กลับดันออกไปทางประตูตะวันออกแล้วออกไปถึงเวลาที่กาลังขดหลุมจะฝังแต่ว่าพระราชโอรสกลับกลายหายจากความเป็นง่อยเกลียดเสียขา แล้วทรงมีพระกำลังมากยกรถที่ขี่ไปขึ้นกวาดแกว้งจนกทั่งตนได้ทราบความเป็นจริงว่าทำไมพระจูมานจะทำอย่างนั้นและเขาก็กล่าวลงท้ายว่าขอเดชะบัดนี้พระองค์ทรงประนดในลาวปากเบื้องหน้าทางทิบรุรพาคือที่จะเป็นออกเข้าเมืองนี้พื่เจ้าค่ะ พระองค์ไม่ได้ตายแม้แมรูปร่างหน้าตาสวยพูดก็เพราะผ้าทางก็นิ่มนวลกำลังวางชามากนี่ตอนที่ยกรถเครื่องแขวงข้าพระเจ้าหลบให้เขาแย่คิดว่าจะรถควาย้าพระเจ้าสเสด็จถ้าเขาฟาดลงมามามลัยข้าพระเจ้าตายมานั้นโชวไม่ได้แน่เพียงในสด็ธีโมเพียงเท่านั้น พัานนางก็ดีใจเรียงลดพระไทยจัดออกมาว่าโอ๋หนอเตมีลูกลักของแม่ลูกไม่ตายหรอกนะลูกแม่ดีใจเหลือเกินแม่คิดถึงลูกใจจะขาดคิดว่าเวลานี้ลูกคงจะจากแม่ไปแล้วความจริงแม่ไม่เคยเกลียดลูก ลูกจะเป็นง้อยลูกจะเป็นไหมลูกจะโหโนกแม่เขายังคิดว่าลูกเป็นลูกของแม่อยู่ถึงกระไรกันดีเลือดในอกของแม่แม่จะทิ้งไม่ได้นี่น้ำใจของแม่นะน้ำใจของแม่จริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้จะมีแม่บางคนเท่านั้นที่มีความช้ำใจที่ต้องทิ้งลูกให้ตายเพราะความจำเป็นเราแต่ เมื่อพระนางทรงลำพึงลำ พ, พันมาพูดมากนะอย่าพูดตามท่านเลยเวลามันเยอะเอ้ยเวลาไม่เคยมีก็ลองลองผู้หญิงก็ลองนึกดูก็แล้วกันจะคิดว่าลูกจะตายแต่กลับเขามับอกว่าลูกกลับไม่ตายกลายเป็นคนแข็งแรงกระปี้กระเปร่าเป็นคนสวยมีสติปัญญาสามารถีพูดเจฉยเฉลาดความรู้สึกของท่านนั้นหลายจะเป็นยังไงนั่งนึกเอาตัวเองก็แล้วกัน นี่ท่านบอกว่าในกัล น, นาที่ทรงลำพังน้ำพันพระกรทั้งสองเขาลงก็ท่าพระอุระกับพระอกขมความตื่นต้นตั้งตื้นตันไว้ในพระไทยหมายความวันนี้ใจเลียงโลดหมายใหญ่กระโดดให้มันโตลอยแต่คมมมาไว้ใจน่าดีเปิดปื้มไอ้น้ำตายก็ไหลเออหนักใจ ดูเรื่องราวไปแล้วก่อหนักใจท่านเสียใจท่านก่อน้ําตาไหลท่านดีใจท่านก่อน้ําตาไหลเอา้าตอนนี้น้ําตาไหลดีใจก็จังเตมเต็มตามพระบาลีท่ากล่าวว่าถึงแม้ว่าพระเจ้ากาสิกร่ายก็ทรงดีพระทยเองกันการที่พระองค์ได้ได้ไดให้อภัยมีฝีฝังนั่น ความจริงพระองค์ไม่ใช่ชิงชังหรือว่ารังเกยียจแต่ประการใดแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วพระองค์เนะ่เชื่อโกะอมัดชราตบริพานหรือบรรดาโหรบรรดาห้อยบรรดาแขวนทั้งหลายที่เขาพากรรมยายกรว่าพระเตมีโลกทายเป็นคงกายจปนมี แต่คืนนอ้นไว้จะเกิดมีอันต ร, รายกับพระราชวงศ์และพระองค์เองถ้าไม่เหตุสีถ้าต ล, ลอดติวประชากรทั้งในประเทศนั้นทั้งหมดจะพากันล้มหายตายจากซึ่งกันแระการคิบหายไว้คงไปหมดนี่จะพกขนพวกคอยจะพกแขวนนี่เชื่อมันยากจริงๆมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลมันเดาท่งเด็ดประเภท มาประเภทหมอสําเร็จใหม่ๆนี่นแหละหมอที่สําเร็จใหม่ๆแกฟังบ้างเคาะบ้างตีมง่งดิดตีดิดนั่งไปไปม า, มาถามว่าโรคอะไรสนิษฐานไปสนิษฐานมาเป็นสัตุ์โรคไปเลยนั่นเองขอประทานอภัยหมอนะถ้าหมอประเภทแท้ที่สําเร็จจริงๆนะั่นไม่เป็นอย่างนั้นไอ้คำว่ า, าหมอสําเร็จใหม่ๆในหมายความเพิ่งจะเป็นหมอขึ้นมา พอตั้งท่าจะเป็นหมอท่า น, นเริ่มเป็นหมอใหญ่กว่าครูนี่ก็เก่งกว่าครใูใแล้วได้เรียนไปเรียนมาไอ้โรคที่เราปวดว่ามันเป็นหลายโรคที่มันโรคเดียวฮะอีตอนนี้เป็นหมอแท้ท่านขอว่าทานอภัยหมอนี่ยัว่าดูถูกนะต่อไปในสรถีที่ไม่กราบถือว่าขอเดชะ แค่แต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระราชกุมารทรงพระสริรโฉมงดงามส ง, งาม่างามเหลือเกินพระพุทธเจ้ขาข่าแม้พระสุรเสียงที่ตัดออกมา ก, ก็แสนจะไปเราะตัดออกมหน้าฟังมากและมีเหตุมีผลเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าพระราชกุมารทรงเล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงเลึกชานได้ ว่าครั้งก่อนพระองค์ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินใด้ทํากรรมมีการจับคุมคุมขังชี้นค่านักโทษมีประการต่างๆขั้นพระองค์ทรงสวรรคตรไปแล้วก็ไปบังเกิดในลกมารกชั่วลานานเหมือนกับคนที่ถูกงูกัดมองเห็นสิ่งอะไรคล้ายกับงูก็ยอมจะกลัวไปทั้งหมด ข้าพระองค์เองก็ยังอยากจะบวชพระองค์ด้วยแต่พระกุมารไม่ยินยอมให้ข้าพระองค์กลับโบสถแม่แม่พระองค์บวชก่อนบอกให้ข้าพระองค์กลับมาทูลเรื่ อ, องราวให้พระองค์ทั้งสองทรงทราบเมื่อพระเมื่อกลับทูลให้ทรงทราบแล้วจึงสั่งให้ข้าพระเจ้ากลับไปหาพระองค์พระองค์จะทรงบวชให้ต่อปายหลัง ข้าพระองค์ยินดีรีบกลับมากราบทูลนะถ้ะางออกทั้งสองสองค์ทรงทราบเมื่อทราบแล้วข้าพระองค์ก็จะขอกราบถวายพระคมลาลาจะราชการไปบวชอยู่กับพระราชกุมารพระเจ้าคกาแต่ถ้าหากว่าพระองค์อยากจ ะ, สะเสด็จไปในสถานีนั้นข้าพระองค์ก็จะมาเสด็จไปเองพระผูเ้เจ้า่ะพระเจ้ากาสิจราช อาศัยที่รงมกำลังดีประเทศไทยแม้บรร น, นางจานเทวีก็เช่นเดียวกันอย่าเกณฑ์นหน้าโลกตายเพราะความรักที่ทำไปกรบเพาะคนอื่นเพราะว่าอย่างนั้นแต่ความจริงน้ำประทไทยเขาพระราชบิดาก็ดีพระราชมารดาก็ดียังรักโลกในสายเลือดยิ่งกว่าชีวิตยังในทรงตรัสั่ง ให้เตรียมพลโยธาเป็นการใหญ่โดยใช้จาตรองกรเกษนาเป็นกองทัพใหญ่จาตรระเกสนานี่หมายถึงเสนาเสียนเหล่าคือกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพคนเดินเท้าแล้วก็เตรียมกองเกียติยศเต็มที่ เอาเครื่องของสำหรับราชาไปด้วยปราถนาจะไปเอาโลกมาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน เ, เมื่อเวลาที่จะเสร็จเมื่อเสร็จแล้วจะเสด็จไปเมื่อกระบวนทัพเสร็จกระบวนกองเกียรติยศเสร็จเขาจะเสร็จนายสุนันทาสารีเป็นผู้นำทางอเขานี่คงจะนำไม่ผิด เล้าก่อนจะออกตะวันตกดันออกตะวันออกไปจะได้จะไปปีชาปราชาพิดิบกลายไปเป่ไปโซที่ปราชาพิสุขไม่ไม่ใช่เป็นป่าชัดเป็นที่ส ง, งัด น, นำทางพระราชาและพระราชินีไปเฝ้าพระเตมีราชบุตมนุซึ่งเวลานี้นนทรงพนหนวดเป็นนักโทษเบอบทเป็นเดวสี อยู่ในป่าด้านป่าจินอาทิตของเมืองบป่ากนเี้ต้องขึ้นป่าจินเห็นได้วอนตะเตินจะเป็นตะวันออกทังเหนือนะมั้งเมื่อถึงแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระโชมานซ um ึ่งกำลังบำเพ็ญพศนั่งทําธรรมะจะทําสมาธิ อยู่ในอาสมที่พระอินทร์ทรงในนิมิตวายความจริงที่นั่นป่าเปลี่ยวถ้าพระอินทร์นี่ก็แน่เหมือนกันนายยุ่งจริงจริงท่านลำบากอะไรอะไรสยองดีดีไม่ดีจะใครก็เป็นอะไรกันมาแต่ถ้าคนมีบุญนะนี้ว่าที่ปาไอเคยอ่อนแต่ก่อนมาแข่งกันด่างนางศิลาป็นหลาดใจเว้ยกันอย่างนี้ไงเพราะร้านท่านจริง ท่นแต่งหนังสือให้เราเรียนกันทัานเขียนเป็นคากลอนแล้วก็ฟังง่ายฟังเพราะกลอนมันชนอ่านทีฟ่ฟางทำให้เราจําง่ายเป็นฉลาดนักปราชญ์เดิมนี้ที่ว่าฉลาดฉลาดอาตมาคิดนะคิดอย่างคนโง่คือตําเรลตุญญาสลาวัตคิดว่านักปราชญ์สมัยนี้ยังยังไกลกว่านักปราชญ์โบราณเยอะ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่มีความสุขก็สร้างให้คนเป็นศัตรูกันคนใดนังปราดญูราเนี่ยคนเป็นศัตรูกันเขาสร้างให้เป็นนิสิตจิตมันก็มันสุกเกิดความรักกันเดีนี้ไม่ใช่อย่างนั้นยุให้รำทาให้โรัวกินนู่นโกงนี่เงินสําหรับช่วยในยามวิกฤต มางฝ น, นเข้ายากหมักแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามดูดูกันรัฐบาลไปให้พันหกร้อยล้านไอ้ผีมาช่วยใช้เงินไปเยอะเที่ยวไปทั่วประเทศเนี่ยไปเจอผีหลอกมีอยู่ที่แห่งหนึ่งบ่อเขาขุดตั้งงบประมาณบ่อราคาสามหมืนบาทไปดูแล้วครึ่งหมื่นก็พอ บอ่ออย่างนั้นเขาตั้งราคาไว้สามหมื่นบาทคนขุดไม่อีกคนเวลาจะรับเงินชื่อผียาวเหยียดอี น, นี้ไอ้หมอบอ่บอมันเป็นบอ่อประจำหมู่บ้านจะให้ผู้ใหญ่บ้านแกเซ็นรับรองแกบอกแกเซ็นไม่ได้คนขุดมันน้อยแต่ชื่อมากผม่เซ็นไม่ได้รับเงินแบบนี้ไปไปมาผู้ใหญ่บ้านคนนั้นถูกลักอยู่แน่เห็นไม่ล่ะ นักปราชามัยนี่เขาเก่งกินดะขากันไกลดีกินจอบกินเสียงกินเหล็กกินไหลกินหินกินดินกินกรวดกินน้ำตาลกินกินเข่าสายกินเหล็กกินหูเขาเก่งขากันไกลดีนี่มันคุณเรื่องนะเอาเ่าเรื่องท่านต่อไป แต่ว่าการเข้าไปคราวนี้พระราชาทรงรเสด็จเข้าไปก่อนก็เพื่อเยาถามความสุขความทุกข์ซึ่งกันและกันแล้วราชเทวีเกียรตเสด็จเข้าไปเมื่อทรงเห็นพระราชโอรสทรงประทับนั่งอยู่ที่ความสงบก็เพื่อมปีติ น, นางก็ตรงเข้าไปกราบบ่ายขอาพระราชโอรสนี่ก็ะทรงกันแสงเสือเสื่ อ, อ, อื่น แล้วถอยออกมาดีไม่สนุกมันเอาแล้วไปเจอลูกเขาท่านที่หัวเราะยิ้มเอาร้องไห้เแล้วดีใจเขาเป็นธรรมดานีออ่ใครอย่าไปติว่าผู้หญิงไม่ดีนะผู้หญิงเป็นแม่เรานะถ้าผู้หญิงไม่เป็นแม่เราเราก็เกิดไม่ได้ท่านอย่าไปยังไงเจอจํายังไงก็ช่างอย่าไปติแม่ท่านเป็นเพศเพศเดียวกับแม่เรา อ้าตะมาเห็นผู้หญิงที่รายคิดถึงแม่ทุกทีดีไม่ดีพอการท่านให้อะไรมาก็คิดเออคนนี้ท่านเป็นแม่เรานเพราะจะมันเด็กที่ผู้ใหญ่ก็ช่างคําว่าแม่แปลว่าผู้รับเรี้ยงเขาให้เขาต้มทับทบวยเขาสวยตะทีลูกไมก้ตะลูกแล้วก็ต้องคิดแบบคนนี้เขาเป็นแม่เออเดี่ยวเทียวยกย่องตัวในะความรู้สึกเป็นอย่งงางนั้นจริงๆ ้คุยต่อไปนิดนึงนาทีพ ร, ราชาจึงเนตถามมาเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้ผลไม้ในป่าทำไมจึงได้มีผิวกายสดใสไม่สกหอมมันน่าจะมีการสกสิถ้าเตมีจึงนตกราบโทนตอบว่านี่จะตอบว่ายังไงจะดีนะ ให้จาได้ไหมว่าพระเทวีตอบไปยังไงถ้าจําได้ก็กรุณาตอบแทนด้วยเพราะเวลานี้ตอบไม่ได้เพราะเวลามันหมดก็สําสหรับในตอนวันนี้ก็ของดุญาตพระเทวีก็ต้องขอลากรอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจ้งมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังสวัสดี